พุทโธสวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะ่ะได้เวลาที่เราจะมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมร่วมกันในรายการสรนนิยมนสนทนาซึ่งดำเนินรายการโดยสัสนิยน่าพงและมีพระอาจารย์ที่มาให้ความรู้กับพวกเราคือท่านผูน้อำนวยการหลักสูตรการหลีกเร้นวัดป่าดอนหายโศวพระมหาไภัยบุญอภิปุลโนนะคะรายการนี้เราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สามวันแรกท่านภัยบุญหรือว่าพระมหาไภัยบุญนั้นก็จะ ได้ดําเนินรายการเพียงท่านเดียวให้ธรรมะกับท่านผู้ฟังตามหัวข้อหรือว่าตามคําถามที่ท่านได้รับส่วนของดิฉันที่สนทนาร่วมกับท่านจะเป็นของวันพระหัสสวัดีกับวันศุขค่ะวันนี้ดิฉันจะกล่าบเรียนถามท่านถึงเรื่องเกี่ยวกับเทวดาแล้วก็การปฏิบัติเพื่อให้อยู่เหนือความเป็นเทวดาขึ้นไปอีกอะไรคือความเหนือการเป็นเทวดาแล้วก็จะไปอยู่ตรงนั้น ได้อย่างไรวันนี้เราไปไกลกันสักนิดหนึ่งนะคะแต่ในฉันเชื่อว่าไม่ได้ไกลห่างเกินไปที่เราไม่จําเป็นต้องรู้เราไปปฏิบัติธรรมภายใต้การนําของพระมหาภัยบุ์อภิปุโ น, โนกันก่อนนะคะกราวน้องส ก, การกันท่านะคะชยมพลก่อนที่จะอธิบายธรรมะใดๆก็มาเริ่มการปฏิบัติบูบชากันสิกนิดหนึ่งเราจะการให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยมาตั้งสติขึ้นเอาไว้โดยใช้ลหมหายใจของเรานี่แหละ เป็นเครื่องมืออารมหายใจที่หายใจผ่านเข้าผ่านออกอยู่อย่างเป็นปกติธรรมดาธรรมชาตินี้เราไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องแต่งลมแต่ให้รู้จักในการที่จะควบคุมจิตจิตเนี้ยมีธรรมชาติที่เป็นเหมือนลิงที่มันจะไปเที่ยวเก่อเกี่ยวอารมณ์นั่นขกาเกี่ยวอารมณ์นี้เวลาที่มันไปเที่ยวเก่อเกี่ยวในอารมณ์เนี่ยเอดีมันก็เจออารมณ์ที่ดีบ้างอารมณ์ที่ไม่ดีบ้างเวลาที่มันเจออารมณ์ใดๆต่างๆที่มากระทบ เวลาที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจึงจะต้องรู้จักคอยควบคุมมันทาไม่ไงมันก็อาจจะสุข ก, กับสุขตามอารมณ์ที่เป็นสุขทุกข์กับทุกข์ตามอารมณ์ที่เป็นทุกข์วิธีการที่เราจะควบคุมจิตได้นั้นก็คือใช้สติเป็นเครื่องมือการควบคุมนี้ต่างกับการบังคับเพราะว่าถ้าเราพยายามที่จะบังคับขู่เข็นจิตอันนี้มันคือจะทําให้เรารู้สึกปวดหัวพระพุทธเจ้าใช้คําพูดที่ว่าเครียดครัดเกินไปเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้บังคับลม ไม่ได้บังคับจิตแต่รู้จักในการที่จะควบคุมจิตให้มาตั้งเอาไว้ในที่นี้เราใช้เครื่องมือก็คือลมหายใจเราไม่ใช่ที่ผ่านออกผ่านเข้านี้เมื่อจิตมาอยู่กับลมเนี่ยทันทีเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยคือสติสตินี้จะเป็นตัวที่มากุ้มกรองรักษาป้องกันจิตของเราประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้ว่าเวลาที่เรามารู้ลมหายใจของเราแล้วสติที่เกิดขึ้นตั้งขึ้นเนี่ยมีกาลังมาก หรือกำลังน้อยเท่าไรอย่างไรถ้าคนที่ไม่ได้เคยฝึกทักษะในเรื่องการตั้งสติขึ้นเวลาที่เรามาดูลมหายใจเนี่ยเนื่องจากความที่สติมีกำลังน้อยมันก็รักษาจิตได้น้อยมันก็อาจจะทำให้เผลอไปคิดนั่นนี่เดี๋ยวลืมหลงลมไปบ้างหลังจากมารู้ลมได้สัก3ามสี่ลมแต่ก็มีความคิดนึกไปเรื่องอื่นอีกละลืมลมไปละหรือว่าปวดเมื่อยบ้างอะไรบ้างอันนี้เราะว่าความที่สตินั้นยังมีกาลังอ่อน แต่ถ้าคนที่มีสติมีกําลังมากมีกําลังสูงเนี่ยเขาก็จะรู้ลมอยู่เรื่อยตลอดเวลา ต, ต้องมันอยู่แล้วหรือในขณะที่จะทําให้มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเอาจิตมาจ่อไว้ตรงนี้เนี่ยก็จะมีความสงัดเงียบเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาได้เช่งนี้พ ร, ริพเจ้าบอกว่าเป็นทักษะที่เราสามารถที่จะฝึกได้และการที่ฝึกทักษะตรงนี้ก็หมายถึงว่าทําให้เป็นอุปนิสัยวิธีการที่จะฝึกทําให้เป็นอุปนิสัยนั้น ก็คือทําบ่อยๆนั่นเองอย่างก่อนที่เราจะเริ่มทําอะไรตื่นเช้ามาก่อนลุกออกจากที่นอนเนี่ยก็ให้มาพยายามที่จะรู้ลมหายใจซะก่อนสักห้านาที10นาทีหรือว่าในตอนนี้ก็ตามเรามาฝึกที่จะรู้ลมหายใจในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยแน่นอนบางทีเราก็มีความคิดนึกเรื่องอื่นไปบ้างอันนี้เป็นลักษณะของจิตที่มันจะไปรับรู้เรื่องราวต่างๆอยู่ละมันไม่ได้เป็นก้อนเป็นสิ่งของที่จับแล้วมันจะตั้งอยู่ได้ แต่มันจะไหลไปได้เคลื่อนไปได้ไปรู้อารมณ์นั้นได้รู้อารมณ์นี้ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่เรามีความคิดนึกใดๆก็ตามนี่ยพยายามที่จะไม่ลืมหลมพยายามที่จะตั้งจิตอาไว้อยู่กับาหมายใจจิตของเรานั้นถ้าเอาไปตรีตรึกในเรื่องใดๆมากมันจะน้อมไปทางนั้นเอียงเทไปทางนั้นเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะเอาจิตของเาไปตรีตรึกในเรื่องความคิดนึกแน่นอนบางทีมันมีแต่อย่าเอาจิตเอียงเทไปทางนั้นมาก ให้จิตของเราเอียงเทมาทางลหมหายใจเมื่อไรก็ตามที่จิตของเราเอียงเทมาทางลหมหายใจจิตมันก็จะเอากําลังมาใส่ไว้กับลหมหายใจใช่ไหมสติก็จะเริ่มมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นก็จะรักษาจิตของเราได้อย่างดีขึ้นซึ่งการฝึกทําทักษะนี้เราสามารถทําได้ตลอดเวลาในขณะที่เรากําลังรอลิฟต์กําลังรอการประชุมหรือว่าทําสิ่งใดๆอยู่ในแต่ละวันเนี่ยพยายามที่จะฝึกที่จะรู้ลหมหายใจจิตให้กลับมาอยู่ที่นี่เรื่อยๆ อันนี้จะเป็นการเพิ่มทักษะเพิ่มกํำลังสติของเรานั่นเองเชิบดบอลใช่ถูกค่ะค่ะนั่นเป็นเพราะว่าเรามีเครื่องมือคือลมหายใจในยามที่เรามีชีวิตนี้อยู่ตลอดไปนะคะแล้วก็ใครที่มีความรู้สึกไม่สบายใจมันหมุกมุ่นอยู่กับเรื่องน้นเรื่องนี้วันนี้ในวิธีการฝึกปฏิบัติท่านเพียบุญก็ได้น้อมนาเอาคําของพระาศาสดาตรงที่บอกว่าจิตของเรา เมื่อตรึกในเรื่องใดๆก็จะน้อมเอียงไปทางนั้น<ป>ทางนั้นนนทางั้งอันนี้เหมือนกับฟังแล้วบางคนอาจจะปิ๊งเลยก็ได้นะคะก็เอาจิตออกจากความทุกนั้นทีนี้ท่านอาจารย์คะมันไม่ทําให้เสียอาการอย่างอื่นสมมตินะคะกําลังทุกข์กับปัญหาที่ต้องแก้อืม อ, อือือมันมันอยู่ที่ความยึดถือถ้าทุกข์มากแต่ถ้าเราแบบทําสิ่งนี้อยู่แล้วเราก็ทไมมันเป็นอย่า ง, งนีง้อ่างเนี่ยมันทุกข์มากใช่ไหมก็แสดงว่ายึดถือมาก เอาเจนี้ทํายังไงจะไม่ให้ทุกงั้นอย่ายึดถือเอาเจนี้ไม่ยึดถือแล้วทํางานได้ไหมได้นี่คือมันมันก็ละเรื่องกันเพราะว่าความยึดถือเนี่ยมันทําแล้วมันจะมีทุกแต่ถ้าเราทําด้วยความไม่ยึดถือนะทํางานทำํำทางไหนทําทางกายด้วยทําทางวาจาด้วยทำํำทางใจด้วยนะคืองานชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นการตอกตะปูสักตัวหนึ่งเอา้าง่ายๆนะ่ก็ต้องกายก็ทํานำะใจก็ต้องทําด้วยเพราะว่ามันเป็นเราต้องคิดเนี่ยว่าจะตอกมุมไหนตอกด้วยแรงเท่าไหร่ อันนี้ใจต้องคิดนะทีนี้การกระทําด้วยกายวาจาใจเนี่ยเราอยาให้มีความยึดถือนี่คือประเด็นเพราะว่าถ้ายึดถือแล้วมันจะเป็นความทุกข์เราทำได้คิดได้แต่อย่ายึดถือไ อ, ตไอ้ตรงที่จะไม่ให้ยึดถือนี่แหละตรงที่จะไม่ให้ยึดถือนี่แหละจึงต้องตั้งสติเอาไว้เพราะว่าจิตเนี่ยที่คุณโยมติ๋วปุ่นเมื่อสักครูอ่อ่ะอ้าก็ตริตรึกในเรื่องใดมันก็น้อมเอยียงไปทางนั้นเราก็อย่าไปทุกข์สิมันก็จบแล้วง่ายๆมาก แต่ทำไมมันถึงไปติดตึ๊บกับความทุกข์อีกล่ะเพราะว่าจิตถ้ายังมีตันหานี่ไงจิตถ้ายังมีตันหามันเป็นอย่างเหนียวถ้ายังมีอวิชามันเป็นรากอยู่ต้นเนี่ยมันโตขึ้นไม่ได้เพิ่ออีกเอ๊ยฉันว่าตะกี้ละได้นะวางได้นะพอเรื่องนี้มากระทปิกแหมมันงอกขึ้นมาอีกแต่ความยึดถือมันวูบวาบวูบวาบขึ้นมาเลยมันก็ไปยึดอีกติดอีกทาไงก็ตัดมันอีกถอยมันอีกแต่มันยังมีเชื้ออยู่อย่างเงี้ยมันก็จะ กำเริบได้อยู่เรื่อยๆนะซึ่ง <Okay. S 1> วิธีการที่พระพุทธเจ้าแนะนําให้ตั้งสติไว้อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วพยายามที่จะขุดรากมันออกค่อยๆทําไปเฉาะถอนจิตใจเราก็จะค่อยลดความทุกข์ลงลดความทุกข์ลงคือบางคนเนี่ยถ้าคุณโยมตี๋ลองจินตนาการภาพดูไปตามันนะ <Okay. S 1> เหมือนกับเราเป็นคนคนเของเราเนี่ยะนะเป็นจิตของเราเนี่ยเราก็มีวัชพืช อ, อะไรไม่รู้หัวแบบมายัย้วย้ายเต็มรอบจิตไปหมดเลยอะ่ะค <Okay. S 1> ่ะเดี๋ยวเราจะเฉาะมันออกจะฟันมันออกเนี่ย ก็ต้องแแซะออกอย่าให้จิตเราตดนทําลายไปด้วยค่ะแล้วก็ที่รากมันเนี่ยที่โคนต้นมันเนี่ยก็มีรากลงไปอีกก็ต้องขุดไปตรงนั้นอีกเหมือนกันค่ ะ, อ, คะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นการฝึกในระดับที่ถ้าฝึกแล้วมีทักษะมากๆขึ้นเรื่อยๆก็เป็นการฝึกจิตในระดับสูงใช่แต่ว่าตัวอย่างของระดับทั่วๆไปในเชิงคิดตามนะคะนึกถึงกรณีของการดําเนินชีวิตของมนุษย์ ที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะคะมีลูกชายคนหนึ่งอายุกำลังแหม่ยี่สิบปีเนี่ยกำลังดีเลยนะคะเขาจะประสบความสมเร็จให้เราชื่นใจอย่างสูงสุดอยู่ละเรียนก็เก่งรอก็ร อ, กอกเกิดมีวบัติเหตุเสียชีวิตกระทันหันเหมือนถูกกระชากดวงใจไปเลยนะคะแต่เพิ่งเคยมีคนรู้จักใกล้ชิดในลูกเรียนเก่งสามารถเข้าเรียนออทีได้เป็นหนึ่งในยี่สิบของคนไทย ไปอยู่เมืองนอกได้ไม่นานนะคะก็มีอุบัติเหตุเป็นล้มในการแข่งกีฬาหรือไงไม่ทราบนะคะแล้วก็ทำให้สมองเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนออจนเสียชีวิตไปเลยกว่าพ่อแม่จะรู้เรื่องเนี่ยเขาเผาศพให้เรียบร้อยแล้วคือไปถึงก็ไม่รู้ว่ามันมันใจหายนะคะลูกเราเนี่ยลูกคนโตด้วยแล้วก็หายไปเลยจากโลกใบนี้ดิฉันคิดตามว่าเอ๊ะเขาทำใจได้อย่างไรเพราะทุกวันนี้ดิฉันก็ยังเห็นบุพการีเขา ก็เหมือนกับว่าดำเนินชีวิตอยู่ได้แต่อันนี้เราก็ไม่ไม่สามารถไปรู้ในจิตใจเขานะคะแต่ที่กำลังเข้าใจว่ามเมื่อยอมรับความจริงท่านเหล่านี้อาจจะต้องยอมรับความจริงว่าเออในการพลาดพลาดมันเป็นเรื่องธรรมดามเราไม่อยากให้เกิดแต่เราห้ามไม่ได้อันนี้มันก็เหมือนกับว่ามีสติแบบหนึ่งแล้วด้วยเหมือนกันไหมคะใช่ถูกต้องการที่พระพา้าใช้ศัพท์อันนี้บอกว่า เวลามีผัสสะหรือว่าเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นทุกข์นะที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยคนที่เขาเไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้เคยปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะมีอาการอยู่2อาการคือ 1. น่งร่ำให้คร่ําครวนทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้มีสติฟั่นเฟือน <S 1> <S 1> อันนี้เป็นบทเรีนเยนชนะของพรุทธเจ้าเนะร่ำให้คร่ําครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้มีสติฟั่นเฟือนอันนี้คือ1แบบหรือนี่คือคนที่ไม่ได้ฝึกฟังธรรมะไม่ได้ปฏิบัติธรรมมาก่อนแลนะ หรือเขาก็จะกระฟัดกระฟืกระด่างกระเดึง๋งแสดงความโกรธความกัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏอันนี้คือ2กรณีอันนี้คือเราดูปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อจิตแตกจิตเนี่ยแบบผูกกระทบพ่วงแตกไปเลยนะแบบคุมสติไม่อยู่ด่าทุกคนยกเว้นตัวเองหรือร่ำไห้คร่ำครวนบางคนเนี่ยขนาดว่าแบบลูกตายกระตันหันอย่างเนะงี้ยนะเห็นศพลูกอย่างเงี้ยเขาก็เป็นลมสลบไป เขาเอายาดมมาให้ดมฟื้นก็ามาเห็นสมลูกเป็นลมสลบไปอีกอย่างเงี้ยโหเป็น3ามสี่รอบรัมย์มาเคยเจอโอ้ oh, าังสารมากแต่เพราะว่าเป็นเป็นทุกอย่างเนี้ยน ะ, ะอันนี้คือรัมย์ให้รัมกรวนสติฟัน่นเฟือนไปละจิตแตกทีนี้แต่ถ้าพอจะควบคุมสติอารมณ์อยู่ได้นะก็คือแสดงว่าบุคคลนั้นมีสติอยู่แน่นอนแล้วก็แสดงว่าเคยได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามาละว่ามันไม่เที่ยงเคยที่จะฝึกเตรียมจิตเอาไว้ อยู่เจอสถานการณ์แบบนี้เขาจึงพอที่จะควบคุมสติอารมณ์อยู่ได้ไม่ใบแบบจิตแตกขนาดนั้นนะค่ะทีนี้เกิดไม่เรื่องเทวดาก็เลยเบือ่อความทุกข์แบบมนุษย์เนี่ยได้ยินว่าเทวดามีความสุขเหลือเกินอยู่บนวิมานอยู่บนสวรรค์ อ, อยากไปเป็นเทวดาดีกว่าแต่พอไปศึกษาคำสอนพระพุทธ อ, องค์นะคะเยี่ S <S <an> <t ose> ก็ดูเหมือนกับว่าเทวดาก็ได้ไปพบความสุขบนวิมานมันไม่เที่ยงอืแล้วก็อยากจะหนีจากตรงนั้นอีกก็จึงอยากทราบอันนี้เพื่อนที่ฉันฝากคําถามนะคะอืบอกว่าอยากทราบว่าแล้วเทวดาเนี่ยได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นแล้วการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็น่าจะเป็นไปตามมรรคแปดซึ่งในมรรคแปดมันมีการเจริญสติด้วยกรถามว่าเออเทวดาจะเจริญสติด้วยวิธีใดเทวดาเนี่ย มีลมหายใจแบบพวกเราหรือไม่อื ม, อ ม, อมค่ะเอ่อก็เอาไปทีละเรื่องก่อนอยังเอาทางในทางวิทยาศาสตร์ในทางวิยทาวยาศาสตร์เราก็จะมีของแข็งของเหลวกา๊าซอันนี้เราเรียนมาตั้งแต่ดเด็กแล้วถูกไหมค่ะซึ่งจะพูดในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือธาตุสีดินน้ําไฟลมธาตุสีดินน้ําไฟลมนะค่ะซึ่งกัถ้าเราจะวิเคราะห์ไปทางอนุภาคมันก็จะใกล้เคียงกันอยู่ทีนี้ตรงเนี้ยส่วนนี้เขาเรียกว่ารูปส่วนนี้นะถ้าเอามากองกองรวมกันจับรวมเป็นหมุนหมู่เดียวกันเขาเรียกว่ากองรูป หรือรูปประคันรูปประคันะในการองค์วส่วนนี้เอาเฉพาะส่ติที่เป็นรูปประคันนี้ก่อนถามว่าเทวดาเนี่ยมีรูปไหมมีนะคําตอบคือมีนะรูปของเขาเนี่ยเป็นรูปที่ละเอียดเป็นรูปที่ละเอียดแะถามว่ารูปเนี่ยมีอยู่ส่วนไหนบ้างตั้งแต่พรมลงมาเลยตั้งแต่พรมที่เป็นชั้นรูปประพรมจนถึงสัตว์นรกเลยตามจนถึงสัตว์นรกเลยเนี่ยพวกนี้มีรูปทั้งหมดเลยส่วนที่ไม่มีรูปคืออรูปประพบ คือถ้าเราจะแบ่งภพเป็นสามส่วนนะคุณจำติวนะตั้งแต่การมาภพรูปภพอะรูปภพแต่ส่วนที่เป็นอะรูปภพเนี่ยไม่มีรูปเลยนะแต่ส่วนที่ตามกว่าอะรูปลงมาเนี่ยตั้งแต่รูปภพแล้วก็การมาภพเนี่ยจะมีรูปทั้งหมดเลยนะจะมีรูปทั้งหมดเลยทีนี้ในมนุษย์ของเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยรูปของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายด้วยความเป็นธาตุสีดินน้ําไฟลมธาตุสีดินน้ําไฟลมแต่ทีนี้ธาตุอื่นๆที่เป็นรูป อย่างเช่นเทวดาเขามีรูปแน่แต่รูปของเขาเนี่ยก็เรื่องเป็นกายละเอียดกายละเอียดนั้นสัตว์รกหรือเปรเตบางประเภทใะเปรตนี่ก็เป็นกายละเอียดสัตว์เดรัชานี่ไม่ใช่กายละเอียดเป็นกายหยาบอย่างอางื่นนี่เป็นกายละเอียดหมดเพราะฉะนั้นในความที่เป็นกายละเอียดเนี่ยธรรมาก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงด้วยความเป็นท่าสี่ดิน้ําไฟลมมันก็จะไม่เหมือนของเราแต่มันจะเป็นกายละเอียดซึ่งถ้าดูที่มันจะใกล้เคียงที่สุดนะ ก็คิดว่าเป็นเป็นพวกแสงนี่แหละแสงนี่ก็เปรียบว่าเป็นเป็นรูปเหมือนกันนะเพราะเป็นเป็นอนุภาคของโฟตอนคือถ้าจะพูดในทางฟิสิกส์เนี่ยแสงคือโฟตอนค่ะซึ่งมันก็เป็นเป็นรูปเหมือนกันแต่ว่าเป็นรูปที่ละเอียดเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นนั้นก็ได้อนาตมาก็ไม่รู้ว่าจะเปรียบเที่ยวยังไงแต่ว่าเขามีรูปแน่นอนถ้าท่านเปรียบอย่างนี้ดิฉันก็คิดต่อเหมือนกันนะคะว่าไม่แน่หรออาจจะเป็นเหมือนลมก็ได้อืความรู้สึกสัมผัสหรือว่าอาจจะเป็นเหมือน น้ำก็ได้ที่ที่ที่เป็นรูปนะคะโดยแต่เราไม่รู้มันก็เป็นได้ทั้งนั้นทั้งสี่ธาตุถูกไหมคะใช่ใช่ค่ะแต่ว่ารับรองว่าไม่สามารถเห็นเป็นตัวตัวใส่ชดาใส่สายสังวานอันนั้นก็คือถ้ า, ถามันรูปมันเปลี่ยนแปลงได้ไงด้วยควา ม, มที่เขาเป็นกายละเอียดกายละเอียดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยระบบของกรรม เทวดาองค์นี้มีบุญแบบนี้บางทีเขาเกิดนิรมิตเครื่องแบบแบบนี้นิรมิตรสแบบนี้อาหารแบบนี้ของเขาแต่ว่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็คือว่าเขาก็กินข้าวเหมือนกันกินข้าวเหมือนกันข้าวนี่คือหมายความว่าอาหารของเทวดาซึ่งอาหารใช่มีอาหารของเทวดาซึ่งบางทีก็อาหารบางประเภทก็เป็นปีติกินปีติเป็นอาหารบางประเภทก็กินอาหารแบบนี้แหละแต่เป็นอาหารละเอียดอาหารทิพธ์อาหารทิพธ์ก็เหมือนกับข้าวแต่ว่า มันไม่ใช่ข่าวเป็นอาหารที่ของเขาอะน ะ, ะเป็นอาหารของเขาอะอซึ่งก็เป็นอาหารละเอียดของเขาเพร ะ, ะนั้นถ้ า, า<น>มีกายเนี่ยแต่บางที่ว่าน่าจะมีลมที่ละเอียดเหมือนกันอะ่ะคิดว่าน่าจะมีมามาถึงประเด็นที่ว่าแล้วอ่าปฏิบัติเจริญสติด้วยวิธีอะไรก็อาจจะใช้วิธีอาณาปานสติก็ได้อย่างนั้นอาจจะได้แล้วก็ยังมีวิธีอื่นที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงความที่เทวดาก็หวั่นไหวสั่นสะเทือนเพราะว่า คำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของความไม่เที่ยงอย่างเงี้ยเช่นการเห็นมรณะสัญญาอย่างนี้ก็ได้การมีความตายคว่าเออเราไม่ได้จะยงคงอยู่ทุ่ชัว่วกาลนานนะไอ้ความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดโอ้เราก็สิ้นไปเหมือนกันโอ้งั้นเราต้องเร่งทาความดีคิดแค่เนี้ยพุ้สติเกิดทันทีเทวดาก็มีการสิ้นอายุเหรอคะอ๋อใช่แน่นอนแน่นอนือเทวดาก็หมดอายุได้ค่ะอเท่ากับว่า เมื่อสักครู่ที่ฟังท่านพูดไปเนี่ยเทวดากับเปร์มีกายละเอียดเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็ถือว่าที่เป็นตัวตวอย่างเงี้ยเป็นเขาเรียกว่ากายหยาบถูกไหมคะกายหยาบถูกต้องแล้วก็รวมไปถึงประเภทอื่นๆด้วยเช่นสัตวต์ต่างๆสัตว์เดรัจฉานใ ช, สนชนน่สัตว์เดรัจฉานนรกสัตว์นรกนะคะก็เป็นกายละเอียดก็เป็นกายละเอียดอ๋ออยู่ประเภทเดียวกับเปร์ใช่นะคะก็จึงเป็นการตอบคําถามว่าเทวดาน่ยมีอยู่ ส่วนจะมีอยู่ในลักษณะใดนั้นมีรูปแน่ในธาตุใดธาตุหนึ่งดินน้ำไฟลมที่พระพุทธองอธิบายไว้ดังนั้นจึงอาจมีลมในการเจริญสติแบบอานาปานาสติก็ได้หรืออาจใช้วิธีอื่นเพราะพระพุทธองค์นั้นได้บัญญัติไว้ไม่ใช่วิธีเดียวยี่สิบหกวิธีหรือเปล่าคะดิฉันสิบวิธีอนุสติสิบอย่างมีสิบอย่างใช่มีสิบอย่าง เดินมรณะสติก็ได้อืันนี้จะสัญญาก็ได้การเรีย น, นความไม่เที่ยงค่ ะ, ะคะุณดิวตน้นค่ะตอนแรกดิฉันจะถามท่านว่าเอ๊ะเทวดาเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะว่าเพื่อนๆที่เรามองเห็นอยู่ในขณะ น, นี้แล้วเขามีชีวิตที่ดีเหลือเกินสวยก็สวยรวยก็รวยเก่งก็เกง่งมีความสุขก็ดูเหมือนกับว่าจะมีความสุขที่ไม่ปนด้วยความทุกข์เลยแล้วเขานั่นแหละคือเทวดาเดินดินจกต้อง เทวดาเนี่ยคือลักษณะของคนที่มีศรัทธาในคําสอนพระพุทธเจ้ามีศีลมีการให้การบริจาคแล้วก็มีปัญญาแลคนที่มีคุณธรรม4ีข้อเ น, นี้ยคือคนที่มีจิตเหมือนเทวดา<ม>พราะพุทธเจ้าพูดอาไว้นะในอนุสติ10อย่างหนึ่งในนั้น<อ>คือเทวตานุสติเทวตานุสติเทวตานุสติเนี่ยจะอธิบายว่าโอเทวดานะเขาไปเป็นเทวดาได้เนี่ยก็เพราะว่ามีศีลเป็นต้นอย่างเงี้ยนะมีจารึกการให้การบริจาคเนี่ย เอ้เราก็มีคุณธรรมนี้เหมือนกันเออเราก็ส่งไว้ซึ่งคุณธรรมนั้นอ้าวแสดงว่าคุณก็จิตแบบเทวดาถูกต้องเลยมันถูกต้องเลยแ ต, แต่แต่แต่ที่คุณยอมติวพูดว่าเขาสวยรวยเก่งพวกนี้นะ ย, ยังยังไม่ใช่คุณธรรมที่ที่จะให้เป็นเทวดานะค่ะแต่เขาอาจจะไม่ได้สวยอาจจะไม่ได้รวยอาจจะเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ได้เก่งอะไรแต่มีให้การให้ทานและมีมสตางค์ในคําสอนของพุทธเจ้ามีศีลด้วยโหนี่จิตเทวดาจิตเทวดาะอะอย่างเงี้ยนะโอ้ เข้ากว่าทุกคนเนี่ยสามารถจะเป็นเป็นผู้ที่มีจิตเป็นเทวดาได้ใช่เหมือนกับเข้าแดนเทวดาแล้วละลองดูเขาคิดดูอ่ะแบบพระเดินไปไม่ได้มีอะไรใช่ป ะ, ะเขาก็เอามาใส่บาตรโอ้จิตสูงเนะี่ยแบบเนี้ก็มีการให้อ่ ะ, ะอะไรเพราะว่าโอ้เห็นพระพวกนี้หุงหาอาหารกินเองไม่ได้เอเราควรจะให้เขาเรบแบ่งสักกนราก้อนละก้อ น, อนให้อันนี้จิตสูงจิตแบบเนี้ยเป็นเทวดาค่ะก็สมมุตินะคะ เกิดมีเนี่ยที่นั่งฟังรายการกันอยู่รวมทั้งดิฉันเองก็อยากจะทราบละเอียดขึ้นไปด้วยอยากสัมผัสแดนเทวดาเหมือนกันเหมือนกับก็นึกในใจนะคะชีวิตให้อยากจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสักครั้งคือคืออยากจะรู้ว่าความรู้สึกนั้นเป็นอย่างไรแต่ในส่วนถูกลอตเตอรี่เนี่ยดิฉันคนไม่ซื้อคงไม่ถูกกันนะคะเอาเป็นว่ายิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่เนี่ยถ้าได้สัมผัสความรู้สึกจิตอันเป็นเทวดาลงรายละเอียดเลยได้ไหมคะที่ว่า อันนีในข้อที่หนึ่งเนี่ยศรัทธาเนี่ยศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องศรัทธาแค่ไหนอย่างไรฟังรายการท่านทุกวันนี่ถือว่าศรัทธาไหมคะศรัทธาในพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ด้วยการที่ว่าศรัทธาในการตรัสรู้ของตถาคตศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันตรัสรู้ชอบใน ด, ด้วยตนเองคืออิทธิพิโสนั่นแหล ะ, ะและจนถึงเป็นผู้ที่จําแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ท่านคะระกว งั้นคนที่ศรัทธาในคําสอนของพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าอิติปิโสเนี่ยถ้าเขาสวดทุกวันก็โอเคเลยสิคะส่วนนี้คือการกระทําทางวาจานะทีนนี้การกระทําทางใจเป็นเป็นเทวดาหรือเป็นสัตว์โรกมันเรื่องของใจเพราะนั้นใจเขาก็ต้องตั้งไว้ตรงนี้ด้วยอ่าก็คือใจก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะว่าโอ้พระพุทธเจ้ามีอยู่เอาแน่นอนคนที่แบบพูดเป่าๆใจอย่างน้อยมันก็ต้องน้อมบ้างแหละนะไม่มากก็น้อยอาจจะฟุง้งซ่านบ้างแต่ตอนช่วงที่เราเลึกถึงก็คงจะต้องมี วันนั้นก็จิตเขาก็ไปเทวดาได้ อ, อก็เท่ากับ ว, ว่าเราเอาอบทสวดสรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นตัวตั้งตัวตั้งอันนี้คือศรัทธาค่ะแล้วก็ศรัทธาให้ถูกต้องตามนั้นก็ถือว่าเพียงพอแล้วใช่จิตเป็นจิตสูงละจิตเป็นทเทวดาละค่ะทีนี้ถ้าเรื่องของคนทัว่วๆไปก็อาจจะไม่ได้มีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าอะแต่ว่าถ้าเขามีการให้ทานในรักษาศีล สีนี้แปลว่าหมายถึงการทําเป็นปกตินะจาก <Krsna S 1> ค่านี้ก็คือหมายถึงการทําเป็นปกติในเรื่องของการแบบให้การบริจาคในเรื่องของการที่ไม่ค่าสัตว์คือฉันเป็นปกติของฉันอย่างเงี้ยตื่นช้ามาฉันจะไม่พูดโกหกฉันก็จะพูดแต่คําจริงตื่นช้ามาฉันก็ไม่ได้ประพฤติปิจารีใดใดก็ไม่ได้ดื่มเหล้าเมาเบียเออฉันเป็นปกติของฉันอย่างเงี้ยนะความ <Okay. S 1> เป็นปกติของคุณแบบเนี้ยจิตของคุณเนี่ยเป็นเทวดาแล้วลคุณตายไปตรงเนี้ยจิตที่ตั้งไว้ดีแบบเนี้ยได้เป็นเทวดาแน่ สูงต่ำก็อยู่ที่กําลังของสิ่งนั้นแต่ว่ามันมีกําลังมากน้อยเท่าไหร่ทีนี้เราอาจจะเคยได้ยินว่าแม้เทวดาเองเนี่ยเขาก็อยากเป็นมนุษย์เออนี้บางคนก็เคยพูดอยู่เหมือนกันอนามา ก, ก็เคยคได้ยินค่ะที่ฉนก็เคยได้ยินค่ะเออที่เขาว่าอย่างนี้เนี่ยก็มาพิจารณาดูเนี่ยนะมันก็จะมีอยู่ตรงหนึ่งที่เทวดาเขาเคยบอกว่าเทวดาเนี่ยชุ่มอยู่ด้วยความสุขตลอดเวลา แต่คือถ้าเปรียบเทียบความสุขของโลกมนุษย์เนี่ยคนที่จะมีความสุขมากที่สุดในความที่เป็นมนุษย์เลยเนี่ยนะก็ต้องแน่นอนร่ํารวยมา ก, มากๆใช่ปะมี <Okay. S 1> ยศศักดิ์อำนาจอะไรต่างๆก็ต้องเป็นระดับพระราชาขึ้นไปแล้วก็เอาต่อให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเลยมีความสุขมากแบบครอบครองโลกหมดทุกอย่างเลยเนี่ยนะ <Okay. S 1> ความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิองคนี้ถ้าเปรียบเทียบกับความสุขของเทวดาในชั้นดาวดึงนะเทวดาในชั้นดาวดึงธรรมดาๆนะไม่ต้องเอาถึงเท้าสัง ก, กัเทวราช<ๆ>ก็จะมี เท่ากับหินก้อนเท่าฝ่ามือเทียบกับภูเขาหิมเบอร์เลยคือมันต่างกันมากเลยอ่ะเทียบกันไม่ติดเลยเพราะฉะนั้นเทวดาเนี่ยเขามีความสุขมากมีความสุขมากด้วยความที่เป็นเทวดาด้วยผลของบุญอะไรต่างๆของเก่าทีนี้ไอ้ตรงนี้แหละคือประเด็นที่ทําให้เทวดาบางรูปเนี่ยมองเห็นว่าหัวการชุ่มอยู่ด้วยความสุขเนี่ยจิตมันกําหนัดจิตไม่กําหนัดจะไปเห็นธรรมะได้ไงต้องเห็นทุกสิ่จึงเห็นธรรมพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้โอ้แล้วฉันจะไปเห็นทุกได้ไงแก่ก็ไม่แก่ คือคือเขาจะไม่ได้แก่งหอมแบบมนุษย์ที่จะมีริร้วรอยฟันหลุดโอ้ปวยเป็นโรคนะั้นโรคนี้เทวดาจะไม่มีพวกนี้นคือแก่อย่างมากก็แก่พอให้รู้ว่าแก่แล้วก็ตายไปเลยส่วนใหญ่จะไม่ได้แก่ด้วยซ้ําหมดบุญก็หมดไปเลยอย่างเงี้ย น, นะอาจจะมีร่องรอยความแก่แบบเทวดาเช่นแสงลดลงมีเหงื่อไหลบ้างแต่จะไม่ได้แบบมนุษย์ที่ที่มันแบบเป็นคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นด้วยความที่เขาไม่ได้เห็นทุกเท่าไหร่ ค ว, วามที่เขาไม่ได้เห็นทุกเท่าไหร่มันจึงไม่ดีทีนี้ถ้าเห็นทุกมากแบบสัตว์นรกหรือสัตว์เดรัชานโอ้โออยังไงก็บรรลุธรรมไม่ได้งั้นอมนุษย์เนี่ยแหละดีตรงไหนอ่ะที่มันได้เห็นทุกยังมีความแก่คุณกำหนัดในร่างกายใช่ไหมกำหนัดไปเลยยังน้อยมันยังได้เห็นว่ากายดูมัน60สปีกายดูมัน80สิปีร่างกายมันเป็นยังไงหรือตอนที่มันตายจะเป็นยังไงเอาคุณี่สิยังมาตายโอ้เป็นทุกมากเลยเห็นทุกนี่แหละมันจึงจะเห็นธรรม มันป็นเด็นตรงนี้ <Okay. S 1> แล้วก็เรื่องของการทําบุญาการทําบุญด้วยการให้ทานในเทวดาเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนมนุษย์อย่างคุณโยมติ๋วไปต่างประเทศก็ซื้อของมาฝากคนนั้น <Okay. S 1> คือคือเทวดาก็จะไม่มีอย่างนี้ <Okay. S 1> เพราะอะไร <Okay. S 1> เพราะว่าทุกค น, นก็มีบุญของคนอ่ะคุณจะกินอะไรคุณก็กินคุณก็เดินเลยไม่ขึ้นมาเอาฉันจะต้องไปเอาอะไรมาฝากเธอมันไม่มีไง <Okay. S 1> มันไม่มีแบบนั้นแต่มนุษย์มันมีมีการให้การทําทานการใส่บาตรพวกเนี้ยมี แต่แตเทวดาก็ไม่มีแล้วเขาทำยังไงอะคะก็ก็กินก็เนรมิตขึ้นมาไงไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าในการให้ทานก็เลยไม่จาไม่จําเป็นไม่ไม่จำคื อ, อหมายความว่าอย่างเช่นว่าเอ่อก็เนรมิตเนรมิตสมมติเขาจะจัดงาน่จัดงา น, างานอย่างเช่นบางทีเท้าสั ก, กเทวดาจัดงานฟังดําจัดงานฟังธรรมแล้วทำยังไง อ, อ่ะเอาจัดสถานที่ก็เสกขึ้นมาใช่ป่ะเท้าสักก็เสกนั่นเสกนี่หรือว่าให้เทวดาองค์นี้รับหน้าที่นั้นหน้าที่นี้นี่คือการ การมาช่วยกันร่วมกันของเขาให้ท้าวิษณุกรามสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาให้นายมาลาพาลีพาไปคนนั้นคนนี้มาอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในอำนาจที่เขาทําช่วยกันตรงนี้จัดงานของเขาอะนะอ๋อเพาะถ้าเกว่าเป็นเทวดาเนี่ยดีอยากจะได้อะไรก็เนรมิตขึ้นมาได้ตามบุญของเขาที่มีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นข้อเสียของการเป็นเทวดาเนี่ยก็คือไม่เห็นความทุกข์เออเห็นเห็นได้ยากอยู่เห็นเห็นความทุกข์ได้ยากเพราะมีความสุขมากค่ะ แล้วก็จึงเห็นธรรมได้ยากเพราะว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าต้องเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมใช่เทวดาบางรูปจะมีความเห็นอย่างนี้ค่ะท่านคะทีนี้ดิฉันว่าช่วงเนี้ยที่กำลังสนทนากันอยู่เนี้ยอาจจะทำให้บางคนมีความรู้สึกว่าเรากำลังสนทนาอะไรกันอยู่ไม่เชื่อหรอกว่ามีจริงๆสำหรับเทวดา แถมยังไปไกลเลยถึงพระวิษณุกรรมบางคนก็บอกเห็นมีแต่หน้าเพาะช่างนะคะอาจจะทําอย่างไรจึงจะทําจึงจะยืนยันว่าเทวดามีจริงให้กับผู้ที่ยังรู้สึกว่าคุยอะไรกันเนี่ยค่ะเ อ, อ่อคือถ้าถ้าเรายังไม่เชื่อว่าเทวดามีจริงหรือไม่มีจริงเราก็ยังไม่ต้องมามาสนใจเรื่องนี้ก็ได้ค่ะคือสมัยก่อนอาก็ไม่ค่อยเชื่อนะคือธรรมดาแบบอ่าก็มีเราก็ไม่เคยเห็น แล้วเราก็อันแต่เรื่องราวโอ้โหบาทีมก็พิสดารเกินที่จะจินตนาการยังยังยังไม่ร้อเซ์หรอกแต่ไหนที่เราลงใจมีความมั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องอื่นๆเช่นว่าพระพุทธเจ้าก็มีอีกหลายพระสูตรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทวดาเลยมนุษย์คนนี้มาถามเรื่องนี้สอนเรื่องของการให้ทานสอนเรื่องของการทําจิตการฝึกสติเรื่องพละหก็เราก็สนใจเรื่องอื่นไปก่อนอนี่นะอันนี้ ค, คือเรากาลังพูดถึง ประเด็นที่ว่าจิตที่มันสูงมันดีเนี่ยมันมีนบพบหน้ามีไม่มีไม่รู้นะแต่ถ้าเราทําดีวันนี้ใช่ไหมถ้าเราทําดีวันนี้เนี่ยคนในปัจจุบันนี้เขาก็ยกย่องเราด้วยการที่เราทําดีเช่นเรามีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาไม่ต้องพูดถึงศรัทธาในคำสอนพระพุทธเจ้าล่ะเอาแค่ว่าเรามีศีลหรือมีการให้การบริจาคอย่างเงี้ยคุณบริจาคร่วมมูลนิธินั้นคุณเปบริจาคมูลนิธินี้เขาก็ส่งจดหมายมาขอบคุณคุณยกย่องคุณเอ้ยอันนี้ เราทำความดีนี่ว่าเาเขาก็ยกย่องเราในปัจจุบันเราเห็นได้ทันทีแล้วถ้าพบหน้ามีจริงถ้าสมมติว่าพบหน้ามีจริงเนี่ยนะเรายิ่งจะไปเกิดเมือนสวรรค์มันจะดีตรงนี้แต่ถ้าพบหน้าไม่มีจริงปัจจุบันนี้ฉันให้ทานชันนักษาศีเนี่ยคนก็ยกย่องมันก็ดีอยู่แล้วไม่มีใครจะตีเตียนเราเรื่องนี้ได้เหมือนก็ดีเนี น, นี่คือคือประเด็นที่สําหรับคนถ้ายังไม่ลงใจว่าเทวดามีไหมคุณก็ปฏิบัติข้อปฏิบัติพวกนี้ไปก่อนมีทานก่อนมีศีนก่อ น, น, นเสร็จแล้ว คุณสบายใจในปัจจุบันน่ะถ้ามันไม่มีก็ไม่มีปัญหาใช่เป่าเราก็สบายใจในปัจจุบันแต่ถ้ามันมีโหคุณโชคดีสองเด้งค่ะค่ะคือดิฉันเมืองเอิญไปอ่านเหมือนกับมีคนเขียนทํานองที่ว่าศาสนาพุทธเนี่ยคือบ้านเราเป็นเมืองพุทธใช่ไหมคะก็หมายคว่าศาสนาพุทธเนี่ยทําให้เราเนี่ยไม่อยู่บนโลกของความเป็นจริงผิดทิศผิดทางง ม, มงายหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยนะค ะ, ะแต่ดิฉันเอง คิดว่าคำอธิบายของท่านเป็นคําอธิบายที่ดีมากเลยเพราะว่าเราสังเกตได้ด้วยตนเองและอย่างกับคําว่าศีลบางคนอาจจะบอกว่เนี่ยกันนี้ไม่พ้นเรื่องศาสนาเหมือนกันก็เอาแบบไม่มีศีลก่อนก็แล้ว ก, กันนะคะเอาแบบที่ท่านทําอยู่ในขณะนี้เนี่ยแต่เอามาสังเคราะห์ว่ามันตรงกับศีลไห ม, มถ้ามันตรงตรงอันนั้นก็ดูเหมือนกับว่าจะทําให้เห็นว่าคําสอนเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันกันกบวิถีของ มนุษย์ทั่วๆไปที่เขาดําเนินกัน อ, อยู่ว่าสร้างเหตุอย่างนี้เกิดผลอย่างไรใช่เราดูกฎหมายกันนะคุณหยงติแบ บ, บไม่มีกฎหมายประเทศใดในโลกนี่นะที่อนุญาตให้ฆ่าคนได้กันอย่างเสรีไม่มีนะฆ่า ค, ค, คนใช่ป่ะโอเคฉันให้เงินคุณเพิ่มมันไม่มีนะมีแต่ว่าเขาฆ่าคนเนี่ยยิ่งคุณเขาคุณจะต้องถูกจับถูกลงโทษ ด, ด้วยประการต่างๆเขาห้ามฆ่ากันค่ะเพราะฉะนั้นศีลคือการที่แบบไม่ทําปาณาติบาตเนี่ยมันไม่มีทางผิดเลย ศีลเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ไม่มีทางผิดเลยเข้าสู่บริษัทไหนก็ไม่คลันครั่มเขาจะไม่มีทางที่จะต้านทานได้ค่ะศีลเนี่ยนะทั้งห้าข้อนี่นะเอาเอาแค่เอาบางข้อก็อาจจะมีข้อแย้งตรงนั้นตรงนี้เอามาสักข้ออะไรข้อหนึ่งที่มันจะต้องมีที่ลงกันได้การไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์อย่างเงี้ยเป็นต้นไม่โกหกอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะว่าก็มีคนจํานวนไม่น้อยทีเดียวก็มีความเชื่อว่าเมื่อได้มาเรียนรู้ว่าศีลของทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรสมมุติอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่เห็นมีความ จำเป็นจะต้องมาเข้าสู่แนวทางในการปฏิบัติอย่างเต็มที่ที่พระพุทธองค์ได้สอนให้พ้นจากทุกข์เพราะว่าทุกวันนี้คิดว่าตัวเองก็ใช้ชีวิตดีอยู่แล้วเป็นคนที่ทำตัวเองให้เป็นปกติมนุษย์ที่มีมาตรฐานของความเป็นมนุษย์พึงมีคือไม่ฆ่าไม่รักไม่ประพฤติผิดในกาใคลไม่โกหกถ้าไม่จำเป็น แล้วก็ไม่เป็น <laughs> คืออย่างนี้ค่ะดิฉันเชื่อว่าคนเนี่ยไม่อยากโกหกนะ ค, คะท่านคะเอส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่แต่บางคนน่าจะบอกว่าบางทีมันเรียงไม่ได้ความจําเป็นมันไม่มีหรอกคุณยมติวไม่ค่ะนี่นี่นี่ที่กำลังจะพูดถึงว่าคนทัท่วไปที่เขาดาเนินชีวิตกันอยู่อ เ, เขาเขาก็พูดว่าเนี่ยทุกวันนี้ก็คิดว่าใช้ชีวิตอยู่ในสีน้ำผึ้งจเจ้าอยู่แล้วเราก็ไม่กินออืพอไหมพอแล้วมั้ง เข้อสามอย่างนี้นะคะความจําเป็นของคนเนี่ยมัน<ะ>อยู่ที่ว่าคุณยึด ถ, <ะ>ถือตรงไหนคุณยึดถือตรงไหนตรงนั้นเนี่ยจึงจําเป็นขึ้นมาตรงที่ยึดถือนั่นแหละมันจําเป็นคะ่ะมันก็เลยไปยึดถือพมันยึดถือมันจึงจําเป็นไงเลยเป็นสภาวะขึ้นมาแล้วตอนนั้นนะ่ะเป็นพบขึ้น<ะ>มาแล้วเนะี่ยค่ะนะคะทีนี้อ่าดิฉันก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยจะกลับเรียนสนทนากับท่าน ในเรื่องที่ดิฉันเพิ่งได้ไปสนทนากับพระรูปหนึ่งที่เดินทางไปสอนอยู่ที่ต่างประเทศแล้วท่านก็พูดบอกท่านงงมากว่าท่านสอนเรื่องเดียวแต่ปรากฏว่าคนที่มีความรู้สูงเป็น professor เ, เป็นคนจบปริญญาเอกอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะก็ฟังแล้วบอกพึ่งพึ่งมากในสิ่งที่สอน ท, ท, ทั้งๆที่มันเป็นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราไม่ใช่เรื่องที่อุตสาหปเรียนกันสูงสูงเลย วันนี้เราสนทนากันแต่เพียงเท่านี้ก่อนดีนะคะได้ๆ ด, ดนะคะกราบนรัศ ก, การขอบพระคุณท่านภัยบูร์เป็นอย่างยิ่งค่ะเยี่ยมประหว่งางที่พรูรบค้าแล้วนี้ก็คือรายการสันี니สนทนานะคะเป็นการสนทนามาทำกับพระมหาภัยบูร์อภิปุลโนเพื่อที่จะทําให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยอยู่ในโลกนี้อย่างเข้าใจโลกอย่างรู้จักจะปฏิบัติตนในการอยู่ในโลกให้มีความสุขมากขึ้นไม่มีใครช่วยเราได้ ความรู้ทั้งหลายที่ได้ไปในต้องอไปทาเองทั้งนั้นจึงจะเกิดผลนะคะเพียงแต่บางทีบางครั้งบางคนอาจจะไม่ได้ศึกษาอย่างเต็มที่เหมือนกับครูบาอาจารย์เหมือนอย่างกับพระสงฆ์ก็เลยได้มีท่านพัยบูรณ์ที่เป็นพระ อ, อยู่ที่วัดป่าดอนหายศุอรดอนธานีแล้วก็มีตำแหน่งของการเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรการเีกเรูที่จะต้องศึกษาคาสอนของพระศาสดาอย่างละเอียดละออ ที่จะนํามาสอนกันอีกทีหนึ่งให้ไปถึงแนวทางของการเจริญสติจะได้มีโอกาสที่จะพัฒนาจิตของเราสูงสูงยิ่งขึ้นไปตามแบบที่พระศาสดาได้สอนไว้นะคะสําหรับวันนี้รายการสรรสานิสนทนาดําเนินโดยสรรสาีิ น, น, นาคคงนะคะก็มาถึงเวลาที่จะต้องนัดหมายท่านเพื่อที่จะมาพบกันในวันต่อไปคือวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะก็ขอให้ได้ ฝึกปฏิบัติอย่างที่ท่านเพริญบุได้บอกว่าพยายามรู้ลมหายใจตลอดเวลาอยู่ที่ไหนก็รู้ได้เพราะว่าเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องหายใจอยู่แล้วจะได้ทำให้ทักษะของการเจริญสตินี้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับเราทั้งในทางโลกและก็ทางธรรมนะคะวันนี้พุทธวสวัสดีค่ะ